เราภาวนาได้กระชับกระชิงภาวนาได้สบายกว่าอยู่กับคนที่เรามีความสุขนะมันจะพากันเพลิน <c oughs> มาจากไหนคนนี้เบอร์เจ็ดเคยมาไหมขนมชั้นเลยคะ่ะหลวงพ่ออ๋อค่อยฝึกนะค่ะ <c oughs> อดทนนิดนึงของเก่าที่ฝึกมามันไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ใจมันยังไม่ตื่นชิดมากไปค่ะ <c oughs> ปวดหัวมากเลยค่ ะ, ะช่วงหลังจากนั้นมามชิดมากนะ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 ทุบจนน่วมแล้วน่วมอีกถ้าเรียนแบบโอ้ประครบประงมไปโอ้โอ้ไปเรื่อยนะ <c oughs> บางคนก็ต้องอย่างนั้นบางคนทุบไม่ได้นะทุบแล้วเละเลยบางคนก็ต้องประคับประคองบางคนต้องทุบพูดดีๆไม่ได้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมยังตั้งใจอยู่รู้สึกไหมเลิกสิรู้สึกเราก็เลิกตั้งใจเอามือลง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 เช่นเราอยู่กับพุโทโธก็ได้เสร็จแล้วเราปล่อยนะเราปล่อยแต่เรามีเครื่องอยู่ปล่อยแล้วก็ใจเราก็จะเผลอไปแต่ว่าเราหัดพุดโทโธไว้จนชินนะเดี๋ยวมันจะพุโทโธเองมันจะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้ากลัวจะหนีไปเราประคองไว้มันไม่พัฒนามันกลัวมากไปมันคล้ายๆจะทาธุรกิจแต่ไม่กล้าลงทุนน่ะไม่รวยขึ้นแน่ใ่ อาจจะกินทุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปลงทุนมีความเสี่ยงมมีความเสี่ยงอาจจะขาดทุนหรือหักจะกำไรก็ได้การภาวนาเหมือนกันนะถ้าเราทำแต่สมถะเราประครองลูกเดียวเนี่ยเหมือนกันไม่ขาดทุนแต่ไม่กำไรนพแต่พอเราปล่อยแล้วใจเราหลงไปเนี่ยตรงนี้เหมือนการลงทุนละถัดจากนั้นสติเกิดถ้าก็ได้กำไร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 ไม่ต้องกลัวหลงหรอกเราอยู่กันสองคนถ้าหลงเราไปเตือนกันอย่าโมโหกันก็แล้วกันหรือว่าคุณหลงคุณก็หลงเหมือนกันเอเนี่ยอยู่กันไม่ไหวนะช่วยกันนะช่วยกันอีรัดไม่ไม่ดีไม่ไม่ดีมากแต่ไม่เร็วกับอะไรนะก็ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรครับก็ยังมีเพ่งยังมีกังวลอยู่แต่ว่าก็ตอนที่มันดีมันก็ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ไม่ไม่เพ่งมากกว่าเมื่อก่อน <c oughs> มันเกินจริงอยู่หน่อยนึงครับ <c oughs> <c oughs> บางทีเราเรากลัวไม่ดีกลัวไม่ดีมันจะเกินจริง <c oughs> การปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่เป็นเรื่องของคนดีการปรุงแต่งฝ่ายดีรากเงาของมันก็คือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากให้ได้ไดมรรคผล น, นิพพานมีตัวเราจะได้มรรคผล น, นิพพานมีเราด้วยนะแล้วก็มีความอยากอยากให้ดี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 คนที่ไม่ได้ตั้งใจเวลาฟังธรรมนะฟังด้วยใจสบายๆจะแอบซอบเร็วรู้ได้เร็วถ้าตั้งใจฟังมากแม้กลัวจะคลาดเคลื่อนเห็นไหมใจมีความกางังวลฟังด้วยใจที่กงังวลไม่ใช่ใจที่เปิดกว้างนะเราทำใจสบายๆคอยรู้ไปมันเป็นเองอะครับทำไงดีมันอยากดี <laughs> เราก็คอยรู้นะคอยรู้ตัวเอง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 มันก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะมันเลยไม่รู้จะไปไหนต่อละอยู่มันตรงนี้แหละไนะตอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขเนะี่ยใจมันจะว่าโ่งโล่งว่างๆนะหลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าแยกรูปถอดนะก็ถึงความว่างนะแยกความว่างเพิ่มความว่างไปถึงมหาสุญญตานะตอนนี้เราแยกความปรุงแต่งออกไปเราเห็นแล้ ว, อนนวไอ้นี่ความปรุงแต่งไม่ใช่จิตนี่ความปรุงแต่งไม่ใช่จิตนะแยกไปจนจิตไม่ปรุงอะไรจิตอยู่เฉย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 เฉยเห็นความว่างแล้วแลประคองไว้กับความว่างคองป ล, อปล่อยปล่อยใจถึงถึงหน่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหลวไหลนะหลวงปู่ปล่อยการบังคับบังคับจิตจริงๆแม้มันสุดง่ายเลยนะที่หลวงปู่ดูลพูดแต่ละคํานะแต่ทําหลายปีพูดสั้นๆ <c oughs> <c oughs> เคยมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่หลวงพ่อคืนหลวงปู่ดูลสอนอะไรเนี้ยสั้นๆ หลวงปู่สอนเอาแต่ได้ใครจะทําได้อ่ะ <c oughs> ว่าท่านต่อหน้าเลยนะ <c oughs> อย่างหลวงปู่สอนเอาแต่ได้ใครจะทําได้อ่ะให้ปล่อยวางอะไรเอะ้ยนะท่านสอนง่ายๆนะแยกรูปถอดสังเกตไหมอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยมันถอดออกมาจากความว่างๆทีแรกมันไม่มีอะไรมันว่างๆใช่ไหมอยู่ๆมันมีอะไรถอดออกมาถอดออกมาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นกุศลอกุศลเนีลยให้เรารู้ไป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 ตอนเช้าตื่นมามันโมหะเยอะมากเลยค่ะพอเปิดเสียงหลวงพ่อไปพอฟังถูกใจหัวเราะมันก็โมหะก็หายไปอืมที่พอมาเตรียมอาหารนะคะก็จะเห็นแบบมันถลําไปนานมากเลยมันก็ช่างมันเห็บ อ, อยากจะถลํากลำก็เรื่องของมันพอไม่รู้ไม่ชี้นะคะใจเป็นกลางมันก็ค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นใช่ใช่เนี่ยตรงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ใจเราหลงไปหรือใจไม่ดีอะไรเนี้ยนะอย่าไปดึงมัน พอดีมันไม่มีแรงจะสู้กับมันด้วยค่ะเมื่อวานมันมีแรงมันก็ดิ้นดินดินวันนี้มันไม่มีแรงมันก็ชักมันเหอะเออนั่นแหละมันก็สบายขึ้นมันภาวนานะจนกระทั่งโดนกิเลสเนี่ยซ้อมเอาต้อนเอาชกซชกก้ายชกขวาจนหลังชนกําแพงไม่มีปัญญาสู้ละพอไม่ีปัญญาสู้ใจเราจะไปยอมใจเรายอมนี่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยทุกขั้นทุกตอนเลยนะถ้าเมื่อไหร่ยังรู้สึกพอสู้ได้เนี่ยยังจะสู้อยู่ <laughs>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 เอาละโอ้ออีกนานเดี๋ยวสภา ว, ว่ามันจะเปลี่ยนคือกังวลว่าอยากรายงานอันเดิมอะค่ะเพราะว่ารักษามานานแล้วหมดเลยแต่มองเห็นไงฮะ ม, มองเห็นว่าหลวงพ่อสอนสไม่ใช่คุณมลคนเดียวนะหลายคนเลยอะบางคนวันนี้จิต ด, ดีๆนะประคองมาตั้งแต่บ้านเลยอยากให้เอาหน้าใสๆมาอวดหลวงพ่อพอมาถึงนนหน้าหงิกไปแล้วมันเหนื่อย คือเตรียมกันบ้านไม่ว่าปัญจะดีหรือไม่ดีมันก็ขี้เกียจทําการบ้านใหม่ไงฮะมันก็จะเอาอันเดิมส่งเอารู้ปัจจุบันนะที่พอนั่งนั่งพระหลวงพ่อสอนนะมันก็เห็นจิตวิ่งไปถึงหลวงพ่อแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกวันนี้มันกลางมากกว่าเมื่อวานนะคะดีวันนี้ดีกว่าเมื่อวานคุณวูฒิจะใช้ได้แล้ววันนี้ดีกว่าเมื่อวานเหมือนกันไม่ต้องส่งก็ใช้ไม่ต้องส่งคุณตรง สองสัปาห์ที่ผ่านมาครับมีความรู้สึกหนักๆในใจนะครับก็ส่งเข้าไปดูว่ามันเบื้องหลังการไถ่ธรรมมันคืออะไ ร, รก็พอทราบแล้วก็มันก็ยังไม่หายนะครับก็รู้สึกวันนี้หน้ามืดมาฮก็หวังจะได้มาที่นี่ทีไรมันก็จะรู้สึกรู้สึกสบายขึ้นนะครับก็คือไม่ดีก็ได้นะใจถึงถึง่อยเรากลัวไม่ดีมากไป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 งั้นขณะที่กิเลสมานะถ้าเรามองเป็นเนี่ยกิเลสแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นแล้วคือแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นะอย่าไปกลัวมันเลยนะอะไรๆเกิดขึ้นก็อย่าไปกังวลดูลูกเดียวตอนนี้กัตตาคีก็ไม่เหมือนกันดูออกไหมครับแล้วไงอีกอยากถามคำถามหนึ่งครับคือเหตุที่ทำให้เกิดสัมมติทิฐิคืออะไรครับ ก็มีโยนิโสมนัสิการนะมีกัลยาณมิตรนะโยได้ส ม, มาทิจิโยนิโสมนัสิการคือเราแยกข่ายในการสังเกตอย่างเราเห็นกิเลสเราก็เกลียดมันทุกทีนะเนีดูไปดูไปกิเลส จ, จะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วก็ชักแยกข่ายแนละ้วงั้นความแยกข่ายเนี่ยเรารู้จักสังเกตมันให้ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สังเกตนอกรู้นอ ก, ก, นอกทางไปถ้าโยนิโสมนัสิกานจริงจริงนะมันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอน บางทีเราก็จะสังเกตดูว่าตัวนี้มันเป็นอะไรนะมันมาได้ยังไงมันเพราะอะไรค่อยๆดูไปดูอย่างใจเย็นๆไม่ใช่คิดนะคิดเราฟุ้งซ่านดูแบบมีสภาวะรองรับไปเรื่อยในสุดเราก็จะเข้าใจความจริงอย่างเราดูจิตใจเราเอ้ยวันนี้ก็ดีๆอยู่ๆอฉับพลันไม่ดีอะไรเงี้ยดูเราดูไปเอ๊ะทําไมมันไม่ดีนะนอันนี้ไม่มีโยนิโสมานสิการ์ถ้ามีโยนิโสนะอ ม, มันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูนะเนี่ย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 หรือมองสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นตรลักษณ์อะไรเงี้ยจะมองตรงมองอยู่ในถูกหลักของอริยสัจอย่างเงี้ยค่อยๆประคองอาศัยการที่ได้เรียนรู้มาแล้วมีโยนิโสประคองตัวไปดังั้นถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนะโยนิโสมนัสิกาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพวกเราลําพังพวกเราเองเนี่ยอาศัยโยนิโสมนัสิกาเนี่ยไปไม่ถึงที่สุดหรอก โยนิโสเองไม่ได้มันได้แค่มานาสิกานได้มานิสิกานก็พิจารณาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะโยนิโสมานัสิกานมันเกิดได้เพราะเคยฟังทำมาแล้วเคือมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนนะเช่นยกตัวอย่างหลวงพ่อเคยเป็นที่อยู่ในความว่างใจว่างไปหมดแล้ววันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างเฉลอยชนิ พ, พานนะแต่ว่าเราไม่ใช่งมงงาย เรค่อยๆดูของเราไปไม่รีบร้อนว่าเป็นพธาตุหันนะพธาตุหันอะไรยังสงสัยว่านิพพานหรือไม่นิพพานเนี่ยะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไป mm. วันนึ่งเห็นตัวผู้รู้นี้หมองได้หน่อยๆ mm. ไม่ใช่ละไม่ใช่เราก็ต้องมาสังเกตต่อเอ๊ะทำไมเราเราไปพลาดตรงไห น, นค่อยสังเกตดูไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นความแยบคายในการที่จะสังเกตตัวเองไม่ใช่ดูแบบซื่อบื้อ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 กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเครื่องหมายแรกเป็นบุพนิมิตของอริยมรรต์อีกที่หนึ่งก็สอนนะโยนิโสมานสิการเป็นบุพนิมิตของอริยมรรต์นี่พวกเราก็อาศัยกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เราฟังทำฟังแล้วแค่นี้ไม่พอเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องมีโยนิโสดหลวงพ่อผ่านมาได้ด้วยโยนิโสนะ หลวงพ่อไม่ได้ไปเกาะแข่งเกาะขาอาจารย์อยู่เลยไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยสองครั้งเองเรียนสองครั้งเองครั้งที่สามไปกราบท่านท่านบอกไม่ต้องมาแล้วให้ไปช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมาหาท่าน เ, เวลาที่เหลือเนี่ยสังเกตแต่ไม่ใช่สังเกตจนฟุง้งซ่านตัวเนี้ยแม่ความพอดีของมันนี่ยากที่สุดที่จะเข้าใจนะคําว่าโยนิโสมานัสิการะแปลา ย, ยาก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 เช่นจิตไม่ดีทุกวันเลยทํายังไงจะดีนะนี่มองไม่ถูกมุมแล้วถ้ามองถูกมุมก็จิตมันไม่ใช่เราเนี่ยบังคับให้มันดีไม่ได้นี่มองถูกมุมแล้วเะฉั้นภาษามนุษย์บางทีถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดสภาวะยากหนึ่งโยนิโสนี่ยถ่ายทอดยากมากเลยค่อยๆค่อยๆดูเอาสังเกตยังไงถูกยังไงผิดแต่เดิมทีแรกก่อนจะสังเกตทีแรกนะมันจะสังเกตก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อน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 สุดท้ายมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงไอตัวสภาวะอันนี้เกิดได้ยังไงใจจะไปค้นคน้คนนะพอแจ้งติ้งอ๋อพอเยเองนะรู้แจ้งแล้วอันนี้ไม่สนใจละตัวนี้มาก็เห็นยอมเห็นมาเกิดแล้ดับเกิดแล้ดับเนี่ยบางคนมันเหนื่อยนะบางคนเห็นง่ายๆก็ยอมแล้วทุกอย่างเกิดแล้ดับยอมล้บางคนไม่ได้มันต้องค้นกว้าสิ่งที่ค้นมานะจะเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลัคนาทิจจตุกะ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 ให้แผดเผาจิตให้เร่าร้อนอยากทำลายอยากคลักเนะี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทำมีผลยังไงพอมัทนทำงานได้แล้วมันมีผลยังไงนะสุดท้ายทำไมมันถึงเกิดเนีนะ่ยถ้าแหมให้ ค, ควรมากนะอย่างนี้ก็โยนิโวเยอะไปเหนื่อยเหนื่อยแต่บางคนมันต้องทำนะมันต้องทำถ้าไม่ทำใจไม่ผ่านนะจะเวียนกลับมาพิจารณาเนี้ยหลวงพ่อนะเป็นคนชนิดเนี้ยชนิดหลังเนี่ย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 พ้าจาจริงๆหนูไม่ค่อยอยากจะกับเรียนใส่มไม่ใช่หนูหวงความรู้ตัวเองเออแต่มันมันก็จะตกล้องแบบคนปกติทั่วไปพอเราทำได้ถูกเนี่ยเราก็ยินดีใช่ไหมคะแล้วเราก็แบกหามันไว้พอเราทำผิดเราสึกเศร้าใจก็แบกหามันไว้ที่คำถามของหนูก็คือจากที่เมื่อวานพ้ะอาจารย์ บอกกับหนูว่าหนูว่าต้องไปฝึกเองอะ่ะทีนี้คำพูดแบบเนี้เวลาหนูพูดกับนักเรียนหนูไม่ได้แบบคิดไม่ดีกับพาาระจ้านะคะถ้าหนูเห็นว่าลูกศิษย์คนไหนฉลาดเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ก้าวร้าวเนี่ยหนูให้มันไปฝึกเองไงฮ ะ, ะนี่หนูก็เลยโมนี่ลองมันแย่มากขนาดอะ่ะ <laughs> ให้เราไปฝึกเองหรือเปล่าไม่ใช่ตวามจริงหลวงพ่อเ็บอกให้นะเมื่อ ว, วานไม่ได้บอกให้ไปฝึกเองอย่างเดียว Oh. บอกอย่างอื่นด้วยรู้เปล่ารู้ไหมว่าจิตของเราเนี่ยไม่ธรรมดา <Ha. S 2> แล้วบอกเนี่ยไปฝึกเอาเองไปดูเอาไม่ใช่ไม่บอกนะ oh. นี่บางคนนะ oh. บางคนเนี่ยถ้าบอกให้ละเอียดเนี่ยไม่ยอมจะต้องไปสังเกตเองของกิจพันธ์เนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้อันหนึ่งนะทำอะไรก็ได้นะให้กลับไปเหมือนคนทั่วไป เพราะว่าพบอันเนี้ยที่ประณีตเนี่ยนะที่ละเอียดเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมามันประณีตมากขนาดแบบได้ยินเสียงใครเนี่ยเขาไม่ต้องบอกจุดประสงค์เนี่ย ม, มันก็ซึมเข้ามาหาแหละไม่เอาเลยนะเออโยนมันทิ้งไปไมนไม่เป็ความเคยชินเนี่ยฮะพอมันตกล็อกมันก็เข้าทางเนี้ยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมันมาเกยตื้นเข้าใจไมอันนี้เป็นการเกิดตื้นอย่างหนึ่ง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 ไม่องั้นมันจะคอยประคับประคองใจแล้วแล้วก็อย่าไปกลัวทุกข์มากนักเราเห็นไหมคนในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหมพอ <Ha. S 1> เราเห็นนะอู้วนี้ก็ทุกข์นี้ก็ทุกข์นนะเราก็สร้างกำแพงไว้กั้นไอ้พวกคนทุกข์ไว้ข้างนอกเหมือนนะคนมีความทุกข์เนี่ยเรากั้นสร้างกำแพงขังเขาไว้ขังไปขังมานะมันกลายเป็นคนส่วนมากขังไปขังมามันเลยกลายเป็นกำแพงขังเราไว้คนเดียว hmm. นะเพื่ออะไรเพื่อจะได้กันเราออกจากคนที่มีความทุกข์เยอะแยะ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 อย่างการที่เราพยายามจะตัดใจของเราออกจากโลกข้งนอกนี่ก็เป็นวิธีทางอีกอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตดุจราชรถทรงของพระราชาให้ออกไปดูนะไม่ใช่ให้ว่าเออโลกนี้มันทุกข์เราก็สร้างกำแพงขังความทุกข์ทีแรกเราขังคนอื่นนะกะว่าไอ้นี่มันทุกข์เรากั้นไว้ก่อนไม่ให้มันมากระทบเราได้นี่มันกลายเป็นมวลชนส่วนมากเพราะคนทั้งโลกมันทุกข์กั้นใจกั้นมาเราเป็นกั้นตัวเองไว้ะ ตอนที่พระอาจารย์อธิบายนะคะใจมันก็ไม่ได้แข็งเป็นก้อนนะคะ ม, มันก็เรียนรู้ที่มันจะอยู่แต่มันก็ยังไม่ชี้ทางมันไม่ใช่ทางนะที่จีพันเดินอยู่ยังไม่ใช่ทางมันเป็นทางซึ่งเราหามาด้วยตัวเองค่ะเนี่ยตัวเนี้ต้องใจถึงถึงนะไปเรียนรู้ไปเพราะนี่ไม่ใช่ทางหรอกค่อยๆเรียนรู้ไปหนูก็ทราบค่ะมันไม่ชี้ทางเพราะงั้นจะกลับมาสู่ทางทางนี้นะ ไม่หลงไปเพลิดเพลินไปไม่บังคับตัวเองไว้เชี่ยพันธ์บังคับตัวเองไว้ใช่ค่ะกายเนี่ยหนูไม่ได้บังแบบไม่ได้อะไรกับมันทิ้งมันง่ายมากแต่ว่ารู้สึกไหมพอเราบังคับที่ใจนะมันออกมาที่กายด้วยค่ะอย่างนั้นใจถึงถึงนะเราเวราไม่ได้เดินอยู่ในทางคือเมื่อก่อนที่หลวงพ่อไม่ค่อยจี้เจี่ยพันธนะเพราะจี้ไม่ได้เข้าใจไหมพ่อสอนไม่ได้ที่สอนไม่ได้เพราะอะไร พราเจียพันจะมีความคิดว่าถ้าเจียพันออกมาเรียนธรรมะแบบคนทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวจิตเราจะไปปนเปื้อนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันอ่ไงเงี้ยไม่อยากให้เขาได้ยินไม่อยากให้เขาได้ฟังอย่าแยกตัวเองเออกไปจากโลกนะกลับมาอยู่กับโลกมาเรียนรู้โลกอย่ันดีโลกเนี่ยรู้สึกไหมตอนนี้ไม่เหมือนตะกี้เนี่ยกลับออกมาอ้าวกลับเข้าไปอีกลวเนาะ ออกมาออกมาเออออกมาอย่างนี้นะอย่างนี้น่ารักนะจริงๆมันมันก็มีความทรมานนะคะโลกนี้นะมันทุกออกมาอยู่กับทุกนี่โอ้ยมันก็กลับไปเนี่ยหนูจริงๆหนูเห็นแบบเวลาลมหายใจเข้าออกนี่หนูมองดูหนูเห็นเลยนะคะอ่มามันไม่ใช่เออเนี่ยออกมาอยู่อย่างนี้ถึงจะใช่นะอยู่กับทุกเออแต่ที่วันเนี้ยหนูแบบขอพูดเนี่ยเพราะว่า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 พอหนูไปฝึกคนเดียวผ้าจาย์ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงอืพอหนูกลับมาเขไปฝึก <คน S 1> ไม่ใช่ฝึกคนเดียวหมายถึงไปอยู่คนเดียวคนละเรื่องกันคือคนเดียวหมายถึงว่าเราสังเกตของเรานะสังเกตจนเรารู้ว่าเราขังตัวเองไว้ววเมื่อวานหลวงพ่อก็อุตสาให้กุญแจไปลูกหนึ่งนะแบบรู้สึกไหมเราสร้างอันนี้ขึ้นมาหนูรู้สึกตลอดนะฮะรู้สึกตลอดแล้วทําไมสร้างเห็นไหสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรากลัวทุกข์ ใช่ค่ะเพราัวความสกกด้วยเพราะว่าหนูรักใจหนูมากเราไม่อยากพันปิ๊กโพนั่นแหละรักใจเรามากเห็นไหมเราห่วงแหนมากตัวนี้แหละคืออวิชาละนั้นเรียนรู้มันลงไปยารักมันมากอย่าไปหวงแหนอย่าไปกลัวทุกเอามันลงมาเพื่อนขี้โคลนบ้างคือหนูเนี่ยแม้แต่ลมหายใจยังถนอมมันเลยหนูอสังเกตไม่เอานะให้มันทุกบ้างต้องรู้ทุกนะเกียรพันุ์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 เส้นทางที่หนึ่งที่จะหาความสุขคือวิ่งเข้าไปคลุกกับโลกเส้นทางที่สองนะก็คือการที่คอยควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเส้นทางที่สามคือการหนีออกจากโลกเนี่ยเจียพันธ์ไปเลือกเส้นทางที่สามเพราะงั้นให้เรียนรู้ตัวเองไปนะกลับมาเรียนรู้ตัวเองอีกล้เรียนรู้ตัวเองคือรู้ว่าตอนนี้เราติดอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าให้ไปอยู่คนเดียวในป่านะ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 คนไหนไม่ดีนะหลวงพ่อไล่ออกไปเลยวัดหลวงพ่อก็เรียบร้อยสิงัใ้ใครมาเกย์เกย์กะกะนหผมว่ า, นะาอยู่ไม่ได้นี่เราไปหลายวัดนะมีปัญหาไว้ใจไม่ได้ไม่ชูไรเคยเตือนมีเตือนเนี่ยแม่ชีนุชจะบวชบนะอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าไปเที่ยวนะอย่าไปไว้ใจนะกระทั่งพระมันยังปล้ำเอาได้นะเ อ, อย่าไว้ใจนะต้องระวังตัวเองต้องระมัดระวัง นี่เราภาวนาที่หลวงพ่อบอกว่าภาวนาของเราสังเกตของเราไปคนเดียวนะเรียนรู้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไปอยู่คนเดียวผู้หญิงไปอยู่คนเดียวไม่ได้ผิดพระวินัยด้วยซ้ําไปภิกษุณีไปอยู่ลําพังไม่ได้นะต้องอยู่วัดที่มีภิกษุด้วยยังพระพุทธเจ้าก็ห่วงผู้หญิงนะบา <c oughs> งคนนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาผู้หญิงเลยไม่ค่อยอยากให้บวชผู้หญิงมารวมกันเยอะๆแล้วปัญหาเยอะ แต่ผู้ชายรวมกันเยอะปัญหาก็เยอะนะงแต่ว่ามันเงียบเหมือนไม่ค่อยพูดผู้หญิงมันไม่พอใจระบายก็เลยดูว่าเรื่องเยอะวัดที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆก็ยุ่งนะบางวัดท่านก็ไล่พระออกมาเรื่อยๆนะจีซ <c oughs> ัดเซมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ผ่านวัดนี้ไม่เอาผ่านวัดนี้มาแล้วถ้าอยู่ไม่ได้นะไม่เอาไม่ได้มาตรฐานแนละ้ว <c oughs>